ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหลงสวยสวยห่างพุทธตอนที่หนึ่งโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ 2. มิถุนายน2545ัน้าณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัดนี้ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังประวัติของพิษุณีรูปหนึ่งลองฟังดูแล้วกันวันนี้เป็นประวัติของพระเคมาเถรีดูนะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงถึงได้กว่าจะเป็นพระอารหันต์ได้ปรากฏว่าจากเรื่องนี้ตามประวัติอ่ะนะโอ้โหผ่านพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มากเลย นะกว่าจะมาถึงในยุคของพระสมณะโคดมอลองฟังกันดูแล้วกั น, น, นในอดีตชาติแต่โบราณกาลนานมาแล้วพระเขมาเถรีเคยเกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีรุ่งเรืองด้วยทรัพสมบัติและแก้วมณีมีค่ามากมายอาศัยอยู่ในกรุงหังสวดีเพียบพร้อมไปด้วยความสุขอันนี้ คือจริงๆก่อนชาตินี้ก็มีมานะแต่ว่ า, เ, าเราไม่ในประวัติเนี่ยไม่มีพูดถึงเพราะนั้นเขาตัดตอนพูดถึงในชาติชาตินี้เริ่มเริ่มแรกเลยนะว่าเป็นลูกเศรษฐีพูดง่ายๆนะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีอยู่คราวหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะดูนันนี่ ในยุคนี้คือพระพุทธเจ้าที่พระนามว่าปัทถุมุตระฟังธรรมเทศนาแล้วเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงขอยึดเป็นที่พึ่งในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้ากับภาษาวกทั้งหลายเพื่อทําบุญถวายทานและอาหารอันประนีตตลอดเจ็ดวันเลยทีเดียวคือไม่ง่ายนะการที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกอีก น่ะตลอดเจวันเนี่ยทำบุญถวายอาหารถวายวัตถุทานอะไรต่างๆน่ะทั้งเจวันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งน่ะนางได้พบเห็นพระปทุมบุตรพุทธเจ้าทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งให้เป็นผู้เลิศทางปัญญายิ่งกว่าภิกษุณีทั้งปวงจึงบังเกิดจิตยินดีปรารถนาได้เป็นเช่นนั้นบ้างจึงได้ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วมอบลงกราบพระพุทธเจ้าทันใดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จสักกระบูชาที่เธอทำแล้วแก่เราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จะมีผลมากเธอจะได้เป็นผู้เลิศยอดด้วยปัญญาเป็นภิกษุณีชื่อว่าเขมาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าส ม, มณะโคดมนั่นคือปรากฏว่า มีอยู่วันหนึ่งน่าไปเห็นพระพุทธเจ้าพระปะทุมมุตระเนี่ยน่าแต่งตั้งให้ภิกษุณีรูปหนึ่งน่าว่าเป็นผู้เลิศยอดในทางสติปัญญาพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหอยากเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยตั้งจิตนะอธิษฐานเสร็จแล้วก็ขอขอหมายถึงว่าตั้งจิตอธิษฐานนี่คือขออะไรอะ ไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้นะที่เข้าไปไหว้าตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็อะไรนะขอให้รวยขอให้เรียนเก่งขอให้ได้งานไม่ไม่ไม่ใช่ขอแบบนั้นนะขออันนี้หมายถึงการอธิษฐานนี่คือการขอแบบพินิเทียวกว่าคือขอให้เราได้ทําอ่ะขอให้ทําให้ได้อย่างนั้นคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดเอาเฉยเฉยคิดเอาเฉยเฉยเนี่ยมันไม่ได้ วันคำว่าอธิษฐานเนี่ยคือว่าขอแล้วต้องลงมือทําแล้วถึงจะได้อย่างที่ขอนั้นแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยบางทีเขาขอแล้วเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องทำไงเขาขอเพื่อให้ได้อย่างนั้นมาเลยนะอย่างเช่นขอให้สอบได้เนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ขยันเรียนไม่ขยันอ่านหนังสือทั้งหาขอให้ได้ดิบได้ดีขอให้ได้งานขอให้ได้อะไรนะความสุขความสบาย แต่จริงๆแล้วปรากฏว่าในชีวิตประจําวันของคนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของก็เรื่องของแต่เรื่องประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ทําเพื่อที่ให้มันได้อย่างที่ตั้งใจที่ขอเอาไว้เพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนขี้ขอแเพราะท่านมังจะใช้คํานี้คือคําว่าขี้ข อ, ขอถ้าอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติขอในลักษณะที่เป็นแบบอธิษฐานอธิษฐานที่จริงๆเนี่ยไม่มีคําว่าขออยู่หรอก ใ น, ในคําว่าอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยตามคําแปลแล้วแปลว่าการตั้งจิตถ้าตามคําแปลนะแต่ว่ามันอดไม่ได้หรอกทั่วไปเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วก็มีคําว่าขอเข้าไปจนได้เพราะฉะนั้นพอตั้งจิตแล้วเนี่ยคุณจะอธิษฐานอะไรไว้ก็ตามเนี่ยอยากจะให้บาลุธรรมหรือว่าอยากจะให้อะไรนะั่กิเลส ต, ตัวนั้นตัวนี้หมดไปหรือว่าลดลง แล้วถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่มีวันได้แล้วก็ไม่เรียกว่าอธิษฐานด้วยเพราะอธิษฐานนี่เป็นการตั้งจิตเพื่อที่จะลงมือทําให้ได้ตามนั้นนะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็จะรู้ว่าพอเนี่ยอดีตชาติของพนางของพระเขมาเถรีเนี่นะว่าตั้งจิตปรารถนาอย่างนี้ขึ้นม า, ป, า, านปั๊บอธิษฐานปุ๊บนะหมอบลงกราบพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ ยังไม่ไม่ต้องพูดเลยนะผู้จเจ้าท่านรับรู้โดยยานนะพอรู้เนี่ยปั๊บท่านก็พยากรณ์ให้เลยว่าเธอจะสําเร็จนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเธอทําบุญทําทานเธอทําความดีอะไรไปเนี่ยแหละแล้วเธอจะได้นะและนับจากชาตินั้นมาเพราะอํานาจผลบุญต่างๆที่ได้กระทําไว้ทําให้นางไปเกิดในชาติใดๆก็ตาม ก็ได้เป็นอัครมเมหสีของพระราชามีทรัพย์มากมีความสุขสบายมากคืออันนี้เนี่ยเขาเกล่าวถึงผลที่นิมนต์พระพุทธเจ้านิมนต์สาวกทั้งหลายนะแล้วก็ทำบุญทำทานนะ้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยนะ่ตลอดเจ็วันจริงๆคงไม่แค่เจ็วันหรอกเพราะว่าศรัทธาแล้วเนี่ยนะเมื่อคนเราศรัทธาอะไรแล้วแล้วก็เชื่อ ถือเชื่อฟังเชื่อมั่นในสิ่งที่เราศรัทธาไม่ทําแค่เจ็ดวันหรอกแล้วตาบที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆเท่าที่จะมีทรัพย์แล้วก็เท่าที่จะมีเวลาแล้วก็ปรากฏว่าในชาตินั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีซะด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหสบายมากเมื่อเป็นเศรษฐีก็ต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพมัะเรื่องวัตถุทานนี่จะสบายมากเลยแล้วกระปากฏว่าเนี่ยผลบุญก็เลยทําให้แม่ หลายคนเลยคิดนะอยากจะเป็นอัคระมเหสีของพระราชาเลยเลยต้องทำบุญมากๆทำบุญหนักๆ ห, หน่อยมันคงจะไม่ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองนะมันจะต้องเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยก็ปรากฏว่าแต่ละชาติแต่ละชาติก็สบายมาเรื่อยเลยกระทั่งได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามวา่าวิปัสสีอลไรนะนี่องค์ที่สองนะพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้บวช อยู่ในพระพุทธศาสนาประพฤติพรมจรรย์ด้วยความเพียรเป็นพระหูสูตรฉลาดในปัจจยากาลคล่องแคล่วในอริยสัจสี่มีปัญญาละเอียดถี่ถ้วนแสดงธรรมภัยระปฏิบัติตามสัตตุศาสตร์คำว่าสัตตุศาสตร์จะหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอใช้คำว่าสัตตุศาสตร์โอ้โหปรากฏว่าในชาติเนี้ยที่ มีพระวิปัสสีเป็นพระพุทธเจ้าเ้ยนะปรากฏว่าเนี่ยตามที่ประวัติเนี่ยดูนะประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นพระหูสูตรเป็นพระหูสูตรนี่ก็คือทรงความรู้มีความรู้มากฉลาดในปัจจัยาการก็หมายถึงว่ารู้เหตุรู้ผลเหมือนกับรู้อิทัปจจิปัจจัยตาต่างๆนะรู้ว่าเกิดอั น, นี้จะเป็นไอันั่นเกิดอันั่นแล้วจะเป็นไอัโ น, น้นเนี่ยคือมีความรู้ชนิดที่เรียกว่า รู้ว่านี่เป็นตัวเหตุนี่เป็นตัวผลแล้วผลอันนี้เป็นตัวเหตุใหม่อีกจะเกิดผลต่อไปอีกยังไงนม่มีความรู้ความสามารถคล่องแคล่วในอริยศาสตร์สี่คิดดูเอาดิโอ้โหคล่องแคล่วในอริยศาสตร์สี่นี่ก็น่าที่จะแม่แล้วก็มีปัญญาละเอียดถี่ถ้วนั้อด้วยนะเพราะว่าชาตินี้นี่ได้บวชนะได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยนะแสดงว่า แล้วก็แสดงทำภัยแล้วปฏิบัติตามคําของคําสอนของพุทธเจ้าด้วยจริงๆประวัติเนี่ยชาตินี้นี่เอ๊่น่าจะบรรลุธรรมไปแล้วนะน่าจะบรรลุธรรมไปแล้วแต่ปรากฏว่าในที่นี้ไม่บอกว่าบรรลุธรรมแต่บอกว่าเนี่ยโหเก่งต่างๆนานาใช้คําว่าคล่องแคล่วในอริยสัจสี่ไม่ได้บอกว่าบรรลุนะแต่บอกว่าคล่องแคล่วแสดงว่าอาจจะ ทรงจำได้ดีแยกแยะอธิบายได้ดีมีความเข้าใจขนาดหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าบรรลุธรรมนอันะนี้ด้วยผลนะด้วยผลที่ปฏิบัติในชาติเนียด้วยผลแห่งพรหมจานทร์นั้นพรหมจันท์นั้นก็หมายถึงว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมต่างๆนางได้ไปเกิดในชาติใดก็เป็นผู้มีสมบัติมาก มีปัญญามีรูปงามมีบริวารที่เชื่อฟังไม่ว่าจะไปในที่ใดก็ไม่มีใครดูหมิ่นเลยนะแสดงว่ามีภูมิความรู้มากนะไปที่ไหนก็ใครจะมาเหยียดยามใครจะมาอะไรอะดูหมิน่นดูแคลนหรือว่ามังคมอะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดแล้วเก่ง ดูนั่นๆๆๆเป็นอีกชาติหนึ่งและหน้าที่ไปเจอพระวิปัสสีแต่คราวนี้ขันมาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะนี่เป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนางได้ทําบุญมหาศาลในกรุงพราราณสีด้วยการถวายสังขารามแก่พระมุนีหลายพันรูปสร้างพระวิหารถวายแก่พระพุทธเจ้าและหมู่สงนะโอ้โห ชาตินี้นี่ชาติของพระพุทธเจ้าพระนาว่าโกนาคมณะคราวนี้นี่พูดง่ายๆว่าถวายพระวิหารเลยพระวิหารดูนะแล้วก็คงไม่เล็กแน่แหละพระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วก็พวกภิกษุสูงอื่นๆ อ, อยู่ด้วยแสดงว่าต้องเป็นพระวิหารหลังใหญ่ดีเดียวนะไม่เพียงแต่ถวายพระวิหารนี้นะเนี่ยสร้างอะไรอะ่ะ อารามสร้างอารามคำว่าสังฆารามนี่หมายถึงวัดหรือว่าสถานที่พักอยู่ของของนักบวชที่เป็นแบบป่าเขาเรียกว่าอารามเนี่ยให้กับพวกมุนีมุนีนี่อาจจะเป็นศาสนาอื่นก็ด้วยนะคือคือไม่ได้ไม่ได้ช่วยแค่ในพุทธศาสนานะ พระมุนีเนี่ยนักบวชอื่นอีกทั้งหลายพันลูกนะแสดงว่าแต่ละชาติแต่ละชาติมาเนี่ยโหสะสมบุญกุศล ม, มาเรื่อยๆเลยต่อมาเมื่อมาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัดสปะเร็วยังเลยนะนี่มามาเรื่อยๆแลวนะนางได้เป็นพระธิดาคนโตสุดของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีชื่อแปลกๆนะชื่อกิกี ในกรุงพาราณสีที่อุดมสมบูรณ์ชาตินี้นางได้นามว่าสัมมนีเออชื่อสัมมนีสัมมนะก็ไม่ใช่นะถ้าเป็นผู้หญิงก็เลยสัมมณีสงสัย ถ, ถ้าเป็นผู้ชายคงจะชื่อสัมมะนะนะชาตินี้เนี่ยดูนะพระพุทธเจ้านาะมว่าพระกัสปะนะปรากฏว่าเป็นทิดาคนโตของของพระราชา วันหนึ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบังเกิดความยินดีพอใจนักจึงขอบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตนางจึงประพฤติปรมาจันตั้งแต่เป็นกุมารีดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขคอยบำรุงดูแลแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายปรากฏว่าชาตินี้นะอยากจะบวชแต่ไม่ได้บวชนะ พระราชาไม่อนุญาตแต่แม้ไม่ได้บวชก็ประพฤติพรหมจรรย์นะถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยอะไรเป็นอุปถาชช่วยดูแลพระพุทธเจ้าแล้วก็พิชิตสุส่งทั้งหลายเรียกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยนะใ น, ใ น, ใ, นในชาตินี้เพราะว่าใช้คําว่าประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารีหมายถึงว่ายังเป็นเด็กหญิงยังเป็นเด็กน้อยๆอยู่ก็ประพฤติปฏิบัติธ ร, รรมแล้ว โอ้นี่เท่าไรแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าผ่านมากี่พระองค์ลนะหนึ่งสสาสี่แล้วนะสพระองค์มาแล้วนะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะนานแค่ไหนกว่าจะศาสนาพุทธเนี่ยกว่าจะสิ้นยุคพระุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยคืออย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์องค์งปัจจุบันที่ที่เรา อะไรเน่ะนับถือแล้วเราก็ประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พนามว่าสมณะโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ดูนะปรจนี้ผ่านไปนะเสร็จแล้วก็คำสอนที่เราเราปฏิบัติตามมาเนี่ยนี่นี่่วงข้าวเท่าไหร่แล่นี่สองพันกว่าปีแล้วนะคิดดูแล้วนี่หมดหมดศาสนาพูดได้ยังยังไม่หมดเลย ถ้าตราบไตเนี่ยศาสนาก็ยังไม่หมดไปเนี่ยนะก็ผู้ดง่ายโลกยังไม่แตกนั่นเองศาสนาพุทธนี่ยังไม่หมดไปยังไม่เสื่อมจนถึงที่สุดแล้วพระเจ้าอีกพระองค์ก็ยังไม่เกิดวพระผู้พเจ้าอีกพระองค์หนึงจะมาเกิดเนี่ยก็ต่อเมื่อศาสนาพุทธนี่เสื่อมละแล้วก็หมดสิ้นไปล้นะพระเจ้าพระองค์ใหม่ถึงเกิดมาแล้วก็เอามังกู้มาช่วยเหลือผู้คนขึ้นมาใหม่ และอย่างนั้นนะเราก็เรียกว่าถึงอะไรเขาเรียกว่าอะไรโลกแตกกลับแล้ถึงอะไรนะหนึ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยนะโลกโลกแตกเพรา ะ, ะคําว่าโลกแตกไม่ได้หมายความว่าโลกลูกนี้โดนอุกกาบาตพุ่งชนแล้วก็แตกเป็นเสีง่งเสี่ยงไม่ใช่นะแต่หมายถึงเนี่ยแหละนะคนเราเนี่ยมันหมดหมดการถือศีลปฏิบัติทำอะไรหมดเชื่อของความดีแล้ว นะโอ้โหเข่นฆ่าทำลายกันฆ่าแกงกันคนดีก็มีอยู่แต่มันน้อยมากเลยน้อยจนอยู่ในสังคมแทบไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ต้องหนีไปที่อื่นแล้วก็พวกนี้ก็เข่นฆ่ากันร่างผานกันนั่นแหละเสร็จแล้วก็พอพอพวกนี้ฆ่ากันเข่นฆ่ากันไปอะไรต่ออะไรแล้วนั่นแหละนะจนกระทั่งลําบากแล้วผู้คนแทบจะอะไรอะ เขาเรียกอะไรบีกสัญยีนีนมันฆ่ า, ากันตายมันอะไรต่ออะไรทรมานทารมกรรมกันจนอย่างนั้นแนหะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็มาโปรยอีกทีมาช่วยพระองค์ใหม่ถึงจะมาเกิดขึ้นจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่นะแล้วแต่ยุคเพราะว่าศาสนาของศาสนาพุทธเนี่ยพระุทธเจ้าบางองค์เนี่ยก็ยาวนานแต่บางพระองค์ก็กสั้น มันแล้วแต่นะคุณอย่านึกว่ามันเท่ากันไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้มันแล้วแต่คนที่อยู่ว่าคนที่อยู่เนี่ยเสื่อมเร็วหรือว่าเสื่อมช้าขนาดไหนถ้าเสื่อมเร็วศาสนาหมดเร็วอคนก็ฆ่าแกงกันกันตายอย่างอะไรอะอย่างเร็วก็แสดงว่าเนี่ยโลกพินาศหรือว่าโลกแตกเร็วมากเพราะฉะนั้นนะพระองค์ใหม่ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องมาแหละ เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านมาไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะเออก็มาเพื่อมาช่วยโลกนย่แหละมามาช่วยผู้คนน่แหละให้ผู้คนเนี่ยได้ไ ด, ได้ได้มีสภาวะจิตใจที่พัฒนาหรือว่าจเจริญหรือว่าดีขึ้นไม่ใช่มาสบายเลยมาลาบากพุทธเจ้ า, นาเนี่ยมาเนี่ยมาลาบากแท้ๆเลยถ้าไม่มีจิตที่ที่อะไรอะ่ะเออมี ทำมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แล้วไม่มาหรอกคุณมาให้เมื่อยมาให้เหนื่อยมาให้หนักเปล่าๆ เ, เพราะท่านสบายท่านอยู่แล้วท่านไม่จําเป็นต้องมาทําให้ทุกคุณอย่านึกว่าไม่ทุกนะมาเนี่ยก็ตั้งแต่ตัวเล็กๆ ก, ก็ต้องทุกมาเรื่อยอใช่ไออแล้วพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ไหนไหมพอตั้งแต่ตัวเล็กๆ ก, ก, ก็ไม่ต้องผเผชิญอะไรเลยไม่มีหรอกนะก็ต้องมาหิวก็ต้องมาร้อนก็ต้องมา เหนื่อยต้องมาเจออุปสรรคอะไรเพราะว่าเกิดแล้วก็ต้องมาเจอวิบากกรรมอย่างของท่านด้วยนะไม่ใช่ว่าท่านจะบังเกิดแล้วจะมาเป็นผู้พระเจ้าแล้วท่านทําบุญไว้เยอะวิบากอะไรก็หมดไปเลยไม่ใช่ไม่หมดหรอกต่อให้มาเกิดในชาติที่เป็นผู้พระเจ้าก็ยังต้องใช้นี่วิบากกรรมที่ไปทําไม่ดีเรื่องอะไรไว้ก็ต้องมาชดใช้ใช้นี่ไม่ใช่ว่ามาใช้ตอนเป็นผู้พระเจ้าไม่ใช่อะ่ะก็ใช้ตั้งแต่เด็กมานั่นแหละ ก็แต่เป็นเด็กมาหนี่อันไหนมามาถึงมาทันแล้วมาทวงก็ต้องใช้ยังต่ตอนเด็กๆบางหนี้ก็เอามาใช้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางหนี้ก็นู่นไปใช้ตอนแก่ตอนเท่าเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าว่าจะจะวิบากตัวไหนมามาตามเล่นนะถ้าโชคดีบางทีก็บางคนสังเกตไหมบางคนแอบเด็กๆ ก, ก็ดีมาเรื่อยนะ อ, อ้อหนุ่มสาวก็ดีมาเรื่อยนะมาเจอตอนแก่ อ, อ่าบางคนเจอตอนแก่แต่บางคนนี่ยโอ้โหแย่ตั้งแต่เด็กเลยนะโดนอัดนะโดนอัดซ้ายอัดขวาตั้งแต่เด็กๆ เ, เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่นะบุญกรรมของแต่ละคนเพราะฉนั้นดูเอานะเนี่ยนี่ผ่านมาตั้งกี่พระองค์แนละ้วเพราะนั้นในในความเป็นจริงของเราถ้าพวกคุณเนี่ยมีเชื้อของศาสนาพูดจริงๆนะถ้าคุณคุณมีเชื้อของศาสนาพูดจริงๆ ไม่ว่าชาติไหนเนี่ยคุณก็สะสมมาเรื่อยคุณก็สะสมมาเรื่อยอพระพุทธเจ้าเนี่ยนา น, น, านท่านเกิดทีใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยมันเกิดทุกชาติใช่หรือเปล่าเพราะันจริงๆเนี่ยพวกเราคงต้องเจออะใช่ไหมเราคงต้องเจอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อะ่ะแต่ว่าก็อยู่อีกนะว่าโชคดีที่จะได้เจอไหมนะถ้าใครเนี่ยสั่งสมมาได้จริง เข้ากระแสของพุทธได้จริงคุณไปเกิดในซีกโลกจุดไหนในโลกนี้คุณก็อะไรอ่ะเรียกว่าวิ่งโลมาจนหาจนเจอคือคือจิตวิญญาณมันจะเรียกร้องจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเรียกร้องเลยแล้วมันจะยังไงเนี่ยมันก็ต้องให้คุณมาเพื่อที่จะให้เจอเพราะว่าคุณถึงจะคุณถึงจะปฏิบัติต่อกับหมู่กับพวกนะหรือว่า าสายของพุทธเนี่ยได้แล้วมันถึงจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยงไงสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะถ้ายกเว้นนะคุณไปเสื่อมคุณเลิกปฏิบัติในทิศนี้ในทางนี้อา้าวชานั้นคุณอาจจะไม่เจอเพราะว่ามันเสื่อมไงมันเสื่อมแล้วก็ไม่เจอเพระเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วปกติเนี่ยเราเกิดทุกชาติอยู่แล้วต้องเจอเพียงแต่ว่าเจอในลักษณะไหนเทนั้นเอง เจอแบบเป็นช้างมาบัวควายหรือว่า <c oughs> หรือว่าเจอแบบเป็นคนไม่ท <c oughs> คุณจะเจอแล้วขนาดไหนอ่ะเพราะว่าถ้าเราเสื่อมใช่ไหมบางทีเราเสื่อมเราปฏิบัติไม่ดีเอาชาติโน้นชาตินี้ไปเกิดเป็นสัสตว์ต่างๆเนี่ยอา้าวต่อให้คุณพ่เพ้นคุณเจอพระเจ้าคุณก็ปฏิบัติไม่ได้นะมันก็เป็นความซวยไปอา่าต่อให้เจอด้วยแต่เราก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้ เพราะนันปฏิบัติได้นี่ปฏิบัติได้เฉพาะชาติที่เราเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนเท่านั้นนอกนั้นอื่นๆมันอาจจะอะไรอะ่ะอาศัยบา ร, รมีเก่านะอาสะ ส, ส, ส, สมบา ร, รมีเก่าของตัวเองไปแล้วก็ใช้หนี้เวนหนี้บาปอะไรไปอา่าแต่ถ้าไปเป็นสัตว์แล้วปฏิบัติไม่ได้เป็นคนยังจะแย่เลยคิดดูเอา เป็นคนเนี่ยคุณยังปฏิบัติย่ําแย่เลยละ่ะโอ้โหยิ่งไปเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็นกิ้งคือไสเดือนอย่างงี้คุณยิ่งยากใหญ่เลยคุณปฏิบัติยังไงต่อให้สมมุตินะสมมุติต่อให้คุณฟังเทศรู้เรื่องดีวยเอาคุณเป็นกิ้งคือไสเดือนนะะคุณฟังเทศรู้เรื่องดีวยเอาแล้วคุณจะปฏิบัติยังไงอ่ะมันไม่มีทางเลยไม่มีปัญญาเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางปฏิบัติอะไรได้ถ้าเป็นศาตร์อื่นต่อให้เอาเอาฉลาดขึ้นนั้นขึ้นมาหน่อยเอาเป็นพวกอะไรพวกหงหงนั่นเป็นพวกสุนัขเป็นพวกอะไรเอาเอาว่ามันฉลาดหรือมันฟังภาษาคนคือเราสอนมันได้อะมันรู้เรื่องต่อให้คุณฟังรู้เรื่องไปเอาคุณฟังได้แล้วคุณจะปฏิบัติยังไงอ่ฮะคุณจะปฏิบัติยังไงยังนึกนึกอัตร า, ายังนึกเวทีว่ า, าจะปฏิบัติยังไง ยกเว้นนะัมียกเว้นพระโพธิสัตว์เท่านั้นนะคุ ณ, คณยาวพระโพธิสัตว์นี่มาเปรียบเพราะนี่เราไม่ได้พูดถึงพระโพธิสัตว์ที่ที่อันนั้นเป็นเจตนาเป็นการไปเกิดที่ไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนั้นอันนั้นเป็นเจตนาของท่านไม่ใช่เป็นวิบากกรรมนะอันนั้นเป็นเจตนาที่ท่านไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นชนิดโน้นเนี่ยเพื่อเรียนรู้นะสร้างบุญบา ร, รมีสะสมภูมิปัญญาต่างๆเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ว่าท่านจะไปเกิดเป็นสัตว์ไม่ใช่หมายถึงว่าไปเกิดเองตามกรรมเงี้ยไม่ใช่เพราะนั้นเป็นเจตนาที่ท่านจะไปเกิดเองนะแต่อย่างพวกเราเนี่ยเราไม่อยากไปเกิดเป็นสัตว์หรอกเราอยากเกิดเป็นคนแต่มันมั น, ม, นมันอะไรมาตรฐานมันไม่ถึงเลยมันเลยต้องไปเกิดเป็นสัตว์ต่างหากแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ยมันเหมือนกับพูดเล่นเลน่นเหมือนกับคุยกันสนุ ก, ส น, กสนุกนะ แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าถ้าคนรู้คนเข้าใจเนี่ยจะกลัวนะแล้วไม่อยากเลยเพราะอาตมาเคยพูดให้หลายคนฟังบอกว่าคุณสังเกตไหมคุณว่าขนาดว่าคนจะล้นโลกคนจะล้นโลกอย่านี้นะบอกว่าคุณสังเกตไหมสัตว์อื่นๆเนี่ยมันตายศูนย์พันมันอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหเยอะกว่าคนนะเยอะกว่าคนมากๆเลย หน้าซูมพันไปกี่ชนิดแล้วล่ะกี่อย่างกี่ประเภทอะ่ะโอ้โหมากมายกายกองและสัตว์ในโลกเนี่ยมีกี่โอโ้กี่กี่ล้านตัวกันนะโอ้นับไม่ท้วนเลยนะกี่ล้านชนิดกี่ล้านตัวกันไม่รู้เลยแหละแค่มแมลงอย่างเดียวก่กี่ชนิดก็ไปแล้วนะโอ้เพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ อาตมาถึงบางทีเนี่ยชอบนึกถึงคําที่พ่อท่านบอกโอ้คนเดียวเนี่ยเป็นสัตว์มาเกิดซะเยอะามาชอบนึกถึงคํานี้นะไม่รู้ว่าทำไมอะ่ะแต่ว่าเอะมันมันชอบเข้ามาในหัวสมองอยู่เรื่อยเลยเออสัตว์มาเกิดซะเยอะเพราะว่าสัตว์ทุกวันเนี่ยมันโดนคนเราเนี่ยเบียดเบียนแล้วก็ทําร้ายเนี่ยมากจนกระทั่งบางทีเนี่ยคนเรากินทุกอย่างเลยกินทุกประเภทเลยนะ กินคือไส้เดือนอะไรนอนมแมลงอะไรกินหมดล่ะโอ้โหคนเราเนี่ยคุณคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกับว่าสัตว์มันเกิดมานะเกิดมาแล้วเนี่ยจริงมั น, ม, นมันปฏิบัติทําไม่เป็นหรอกแต่ชีวิตมันเนี่ยมันมาได้บุญได้กุศลตรงตร ง, ตรงคนเอามันไปกินเนี่ยเอาใช้หรือเปล่าล่ะก็เอาไปกินแล้วก็มีชีวิตอยู่อะ เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีบุญได้ยังไงมันมันก็มีบุญจริงๆอะ่ะก็มันตายแล้วคุณอยู่อะ่ะมันตายแบบชนิดที่ว่ามันอุทิศชีวิตเลยนะอย่างเงี้ยเอมอจะมีใครกล้าขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบุญกุศลของมันไปอ่ใช่ไหมล่ะจริงก็เป็นความซวยเนื่ยสมมุติว่าตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมไปสัตว์ยิ่งไปเป็น หมูไปเป็นเป็ดไปเป็นไก่เนี่ยโอ้โหยิงโดนกินเยอะเพราะฉะนั้นพอไปเป็นสัตว์พวกนี้มานะเสร็จแล้วมันก็ต้องมาตายให้คนกินแล้วในขณะพวกที่คนที่กินเนี่ยไปกินสัตว์พวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ปฏิบททัติธรรมไม่ได้สั่งสมไม่ทําดีอะไรเลยวันพวกนี้ก็เป็นงไงตายพวกนี้ตายแล้วไปไหนตายแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวก็ไปเป็นสัตว์ ประเภทต่างๆเพราะว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอะไรให้ได้มาตรฐานพอที่จะไปเกิดเป็นคนเมื่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปเกิดเป็นคนได้อก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าสัตว์ที่โดนคนกินเนี่ยกับคนที่ตายไปเนี่ยคุณว่าอย่างไงมากกว่ากันสัตว์ที่โดนคนกินแล้วตายเนี่ยกับ คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็ตายในแต่ละวันเนี่ยคุณว่ายัางไงมากกว่ากันโอ้สัตว์ต้องตายมากกว่าเยอะเลยใช่มไหมวันคุณดูนะถ้าสัตว์ตายแล้วก็มาเกิดเป็นคน <c oughs> อ่าคุณลองนึกดูนะอ่าคุณลองนึกดูนะนึกนึกดูก่อนนึกดูก่อนเ อ, นอาสมมุติสมมุติตีตังค์อ่าวันคนก็จะต้องมากขึ้นถูกไหมสัตว์อื่นก็จะต้องลดลงถูกไหมอ่าถ้าคุณนึกตามสัตว์ส่วนคุณนึกตามเหตุผล อัตมาถึงอัตมาไม่ค่อยแปลกใจนะเรื่องพวกนี้อัตมาไม่ค่อยแปลกใจไม่ไม่สงสัยอะบางคนชอบสงสัยนู่สงสัยนี่อยู่เรื่อยมันก็มีเรื่องให้สงสัยจริงๆนะนะอัตมาไม่ค่อยสงสัยนะเรื่องพวกนี้เพราะว่าคิดว่าเออมันมันเป็นไปได้อยู่แล้วมันก็ถ้าตามสัจจะตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะตรัสไว้เสมอเสมอ วันนี้ไม่ปฏิบัติให้ดีตายไปแล้วก็เกิดเป็นสัตว์ซะส่วนมากใช่ไหมตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์สะส่วนมากแต่ในขณะเดียวกันว่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์สะส่วนมากเนี่ยแต่สัตว์ส่วนมากก็ตายเพราะคนนี่แหละกินมันถูกหอเปล่าครั้งทั้งที่สัตว์เนี่ยตายสัตว์เนี่ยเกิดมากนะแต่สัตว์ก็ต้องตายมากเพราะโดนคนกินทั้ง สัตว์ด้วยกันเองก็กินนะแล้วคนก็กินอีกแต่คนนี่แหละเป็นตัวโอ้โหทําลายล้างมากยินกว่าสัตว์กินสัตว์สัตว์กินสัตว์นี่ยังไม่มากเท่าไหร่แต่คนกินสัตว์เนี่ยตามอัตราส่วนแล้วมากกว่ากันเยอะเลย